มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวักกรมมะพละอธิภาวะปัญหาที่แปดถามว่า เมื่อบุคคลทำกุศลและอกุศลแล้วผลกรรมนั้นไปอยู่ที่ไหนราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาญมหาชนคนทั้งหลายกระทําการกุศลก็ดีกระทําการอากุศลก็ดีในอิทะโลกนี้ผลกรรมนั้นไปอยู่ที่ไหน พระนาคเษนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอภิษพระราชสมภารบุคคลกระทำการบุญการบาปการบุญการบาปนั้นจะได้ตั้งอยู่ที่ไหนหาไม่ได้กรรมนั้นก็ตามไปอุปมาฉันใดเล่าฉายาวะดุดเงาอนุปายินีมีปกติไปตามตัวจะกระทำไว้ซึ่งกรรมอันดีและชั่ว กรรมนั้นก็ตามตัวผู้นั้นไปจะได้อยู่ที่ไหนหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาเกษตระข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญด้วยญาณปรีชาพระผู้เป็นเจ้าอาจสามารถจะชี้ตัวกรรมออกให้เห็นได้หรือประการใดพระนาะเกษตถวายพระพรว่าชี้ไม่ได้ พระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรตรัสว่าโยมยังสงสัยนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเกษถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดลุกขาและดาวันทั้งหลายที่ยังไม่ได้ผลิดอกออกผลนั้นผลไปอยู่ข้างไหนเล่า พระราชสมภารอาจจะชี้บอกแกอัตมาบ้างจะได้หรือไม่ได้นะบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการแกว่าพันเตนาคาเสณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะมาให้โยมชี้ซึ่งไม้อันยังไม่มีผลว่าผลไม้นั้นจะไปอยู่ที่ไหนโยมนี้มิอาจจะชี้ให้พระผู้เป็นเจ้าดูได้ พระนาคเสนจึงอุปมายต่ออุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอัตมาจะให้ชี้ซึ่งต้นไม้ที่ยังไม่ผลิดอกออกผลมีแต่ต้นเปล่าเปล่าว่าดอกลูกนั้นมีอยู่ที่ไหนมหาบาพิษมิอาจจะชี้ให้อัตมาเห็นได้ฉันใดก็ดีอัตมานี้ ก็มิอาจจะชี้ซึ่งกรรมของบุคคลทั้งหลายนั้นได้ว่าผลกรรมไปตั้งอยู่ในที่นั้นๆเหมือนกับมหาบ่าพิษอันมิอาจจะชี้ซึ่งผลไม้ที่ยังไม่เกิดที่ต้นไม้อันยังไม่มีผลได้เมื่อตนกระทําไว้ซึ่งกรรมนั้นกรรมนั้นก็ติดตามผู้นั้นไปแม้มิได้ปฏิสนธิตราบใดก็จะพ้นไปจากกรรมตราบนั้นขอถวายพระพร พระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรทรงฟังก็โสมนาตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วกรรมภพละอัติภาวะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเท่านี้